นิทานสีขาวเรื่องความช่วยเหลือของมนตรีณโรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่งคนทั่วไปต่างก็รู้กันดีว่าโรงเรียนนี้ขึ้นชื่อด้านกีฬาฟุตบอลมากเพราะทีมฟุตบอลของโรงเรียนนี้คว้าที่หนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนระดับประเทศติดต่อกันมาแล้วหลายสมัยมนตรีเป็นเด็กฉลาด แข็งแรงและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเสมอเขาเล่นฟุตบอลอยู่ในทีมของโรงเรียนแห่งนี้และเมื่อหัวหน้าทีมคนเก่าจบการศึกษาออกไปบนตรีก็ได้รับการคัดเลือกจากเพื่อนๆในทีมฟุตบอลให้เป็นหัวหน้าทีมคนใหม่ด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉัน์การแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนระดับประเทศของปีนี้กำลังจะมาถึงในไม่ช้า บนตกลีและเพื่อนๆในทีมต้องฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันเพื่อรักษาความเป็นที่หนึ่งเอาไว้ให้ได้พวกเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากเพราะนี่ไม่ใช่แค่การรักษาตำแหน่งเดิมเอาไว้ให้ได้เท่านั้นแต่ยังเป็นการรักษาเกียรติประวัติของทีมฟุตบอลโรงเรียนซึ่งสั่งสมกันมาหลายรุ่นและยังถือเป็นความภาคภูมิใจของทุกๆคนในโรงเรียนอีกด้วย เมื่อวาระการแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนประจำปีนี้มาถึงทีมของบนตรีก็สามารถเอาชนะทีมจากโรงเรียนอื่นได้โดยไม่ยากเย็นนะักจนในที่สุดก็เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ตามความคาดหมายการแข่งขันรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นที่สนามของโรงเรียนเราเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าขอให้ทุกคนมาพร้อมกันที่นี่ได้เลย มนตรีนัดแน่กับเพื่อนๆก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนที่บ้านวันต่อมาปรากฏว่าฝนตกตั้งแต่ตอนเช้ามืดเมื่อมนตรีออกจากบ้านนั้นฝนสาลงมากแล้วแต่ตามถนนหนทางก็ยังเปียกเฉอะแฉะและบางแห่งก็ลื่นมากมนตรีต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเพราะไม่อยากให้ตนเองได้รับบาดเจ็บก่อนการแข่งขัน เมื่อมาถึงหน้าประตูโรงเรียนมนตรีสังเกตเห็นหญิงชราคนหนึ่งยืนตัวเปียกโชกร่างกายของนางสั่นเทาด้วยความหนาวอย่างน่าสงสารหญิงชราคนนี้ยืนงกงกเงื่ๆและเฝ้าแต่มองไปยังฝั่งตรงข้ามมนตรีคิดว่านางคงอยากข้ามถนนไปอีกฝั่งแต่ไม่มีคนจูงจึงไม่กล้าข้ามไปคนเดียว เพรพื้นถนนหน้าโรงเรียนลื่นและมีรถขับผ่านไปมามากมนตรีสังเกตคนอื่นๆที่เดินผ่านไปมาดูเหมือนว่าทุกๆคนต่างก็เร่งรีบไปทําธุระของตนเองจนไม่มีใครว่างพอที่จะหันมาสนใจหญิงชราคนนี้เลยดังนั้นมนตรีจึงเดินเข้าไปหานางและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนมีเมตตาว่ายายยายอยากจะข้ามไปฝั่งโนนใช่ไหมครับ ผมจะช่วยยายเองนะครับสีหน้าของหญิงชราแจ่มใสสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานางยังรู้สึกว่าตนเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวคนเดียวในโลกนี้และความสูงอายุทำให้ตนเองดูไร้ค่าจนไม่มีผู้ใดให้ความสนใจแต่ตอนนี้กลับมีเด็กคนหนึ่งเดินมาเรียกว่ายายและขันอาสาช่วยเหลือนางทำให้หญิงชรารู้สึกชื่นใจมาก หลานชายช่วยพายายข้ามถนนลื่นนี่หน่อยเถิดนะบ้านยายอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองหลังร้านขายของนั่นและหญิงชราเสียงสั่นเพราะความหนาวมาเธอยายเดินช้าช้านะผมจะพายายไปส่งให้ถึงบ้านเลยแล้วมนตรีก็จับแขนหญิงชรามาโอบไว้รอบคอพร้อมกับค่อยๆพยุงร่างของนางเดินข้ามถนนอย่างระมัดระวัง ตลอดทางที่เดินมาด้วยกันนั้นหญิงชราได้พูดกับมนตรีด้วยความรักใคร่ชื่นชมนางให้พรแก่เขาไม่หยุดปากและกล่าวชมเชยไปถึงพ่อแม่ที่สั่งสอนลูกให้เป็นคนดีจนกระทั่งมาถึงบ้านของหญิงชราแล้วมนตรีจึงยกมือไหว้และกล่าวคำอำลาแก่นาง ขอให้ผลบุญที่หลานชายทำในวันนี้จงบันดาลให้หลานชายพบแต่ความสุขความเจริญเธอนางอวยพรให้มนตรีพร้อมกับหลั่งน้าตาด้วยความปราบปื้มมนตรีนั้นเมื่อได้ยินสิ่งที่หญิงชราพูดก็บังเกิดพลังแห่งความปิติขึ้นก็ mm hmm. เ, เดินเข้าไปในโรงเรียนอย่างอิ่มเอมใจและเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า ความรู้สึกเป็นสุขที่ได้รับหลังจากการชนะแข่งขันฟุตบอลไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่ผ่านมาเทียบไม่ได้เลยกับความสุขความเปรมปรีที่ได้รับจากการช่วยเหลือหญิงชราผู้อ่อนแอในครั้งนี้กล่าวถึงในสนามแข่งขันตอนนี้มีผู้ชมเข้ามาจับจองที่นั่งเต็มทุกที่แล้วแต่ทีฟุตบอลของมนตรียังไม่พร้อมพวกเขาหน้าตาเคร่งเครียด เพราะกะวนกะวัยใจที่หัวหน้าทีมยังมาไม่ถึงสนามแข่งทงั้งๆที่ใกล้ถึงเวลาแข่งเต็มทีแล้วแต่แล้วใครใคนใดคนหนึ่งในนั้นก็มองเห็นมนตรีเดินมาแต่ไกลและตะโกนบอกให้เพื่อนๆหันไปมองเมื่อเห็นมนตรีทุกคนก็ตรงไปเข้าห้อมล้อมและต่อว่าเขาอย่างเผ็ดร้อนในเรื่องที่ไม่รักษาเวลาถ้าเพื่อนจะโกรธเรานั้นก็เห็นจะสมควรอยู่หรอกนะ แต่ขอให้ใจเย็นๆแล้วฟังเหตุผลของเราซะก่อนมนตรีก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังหลายคนเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจมนตรีมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยเพราะคิดถึงแต่ผลการแข่งขันเป็นสําคัญแค่คนแก่คนเดียวนายจะเป็นลําบากลำบนช่วยแกระไมเดี๋ยวพอฝนหยุดตกถนนแห้งแกก็ข้ามกลับไปได้เองนั่นแหละนายก็น่าจะรู้นะว่าทนายมาไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้น ทีมของเราอาจจะแพ้ก็ได้ลูกทีมคนหนึ่งยังคงต่อว่ามนตรีไม่เลิกนี่เพื่อนเราไม่ได้ช่วยยายคนนั้นเพราะเพียงความแก่ของแกนะและเก่งว่าแกจะข้ามถนนไม่ได้เท่านั้นหรอกแต่ที่เราช่วยแกเพราะคิดว่าแกต้องเป็นแม่ของใครสักคนมนตรีกล่าวอย่างจริงจังแม่ใครก็ช่างเขาสิถ้าไม่ใช่แม่ของนายแล้วนายจะสนไหมทาไมมันเรื่องอะไรกันที่นายต้องไปช่วยแม่ของคนอื่นด้วย เพื่อนคนนั้นยังคงว่าต่อด้วยความเขาซึ่งมนตรีก็รู้ดีเขาจึงค่อยๆ อ, อธิบายด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงทว่าแฝงไปด้วยความจริงจเราช่วยแกเพราะคิดว่าแกคงเป็นแม่ของใครสักคนและเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อแม่ของเราแก่ตัวลงมากๆและเราไม่ได้คอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆในตอนนั้นคงมีใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือแม่ของเราเหมือนกับเราที่ทำให้ยายคนนั้นในวันนี้ เมื่อได้ฟังคําตอบของมนตรีทุกคนก็รู้สึกประทับใจในคําตอบของเขามากจึงไม่มีใครสงสัยในเหตุผลของมนตรีอีกลูกทีมที่พูดต่อว่ามนตรีเมื่อคู่ก็รู้สึกละอายใจตนเองมากเขากล่าวแก่มนตรีว่านายคงภาคภูมิใจในแม่ของนายมากและมีแม่อยู่ในใจเสมอเลยใช่ไหมถึงได้ทําสิ่งเหล่านี้โดยคิดไปถึงแม่ของนายด้วยแน่ล่ะเพื่อนมนตรีตอบ คนที่ไม่มีแม่ของตนอยู่ในหัวใจเพื่อการระลึกถึงและไม่ภาคภูมิใจในแม่ของตอนนั้นเป็นคนที่หาดีอันใดไม่ได้เลยนอกจากนั้นชีวิตของเขาก็จะเต็มไปด้วยความหมองเศร้าและไม่มีวันได้พบกับความสุขความจเจริญหลอกเธอทั้งหลายมนตรีนั้นเป็นเด็กที่มีความเมตตาการุณานักเขานึกถึงความทุกข์ของผู้อื่น และหาทางช่วยให้ความทุกข์นั้นมาลายไปเธอว่ามนตรีเป็นคนมีความสุขไหมประสบความสำเร็จหรือเปล่าใช่แล้วมนตรีเป็นเช่นนั้นแม้ในเรื่องนี้เขาจะยังเป็นเด็กแต่เราคงพอที่จะเห็นอนาคตของเขาแล้วละว่าในอนาคตเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตมากคนหนึ่งเพราะเขาเป็นผู้มีความเมตตาการุณาชอบช่วยเหลือผู้อื่น และที่สาคัญที่สุดคือเขามีแม่ของเขาประทับอยู่ในหัวใจเสมอขอให้เธอระลึกถึงแม่เหมือนดั่งมนตรีไม่ว่าเธอจะกระทำสิ่งใดอยู่ที่ไหนก็ตามหากเธอมีปัญหาทุกทนเศร้าหมองใจต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวเธอไม่จําเป็นต้องเข้าวัดไม่จาเป็นต้องไปขอพรจากพระไม่จําเป็นต้องไขว่คว้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาเป็นที่พึ่งพิงแต่จงระลึกถึงแม่ของเธอก็พอ จำไว้เถิดว่าท่านคือความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วในชีวิตของเธอจำไว้เถิดว่าแม่คือพระของเรา